ปลูกฝีนะป้องกันไข้ทรพิษนะคราวนี้หมอบเบลล์นเนี่ยยังมีจะเรียกว่างานอย่างหนึ่งนะแกไม่ได้เป็นหมอธรรมดาเป็นหมอสอนศาสนาหมอสอนศาสนาคือมิชชันนารีเผยแร่ศาสนาแกเป็นคนคริสคริสเนี่ยเป็นคริสต์นิกายโปรเตสแตนนิกายนี้เนี่ยนะขาไม่มีนักบวชนะแล้วก็ค่อนข้างเคร่งแล้วก็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 เจ้าของร้านก็นั่งฟังเฉยๆนะคุณลุงคนหนึ่งนะแกก็นั่งฟังก็ไม่ได้โกรธแค้นอะไรนะให้หมอบรเละว่าไปว่าไปจนกระทั่งหมอบรรเละเนี่ยเหนื่อยนะเพราะว่าแดดร้อนเหนื่อยเนี่ยเจ้าของร้านก็เลยชวนหมอบรรเละเข้ามานั่งพักในบ้านในร้านแล้วก็หาหน้าให้กินด้วยนี่ขนาดคนที่มาต่อว่านะพุทธศาสนานะแล้วก็พูทจาจะเรียกว่าจ่วงจ่าพระพุทธเจ้าก็ได้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 ใครมาว่าศาสดาของเราก็ไม่โกรธนะก็ตรงกับที่พระเจ้าสอนเอาไว้นะอันนี้ก็พูดไปแล้วเมื่อวานพระเจ้าเคยสอนว่าใครมาติชิ้นนินทาเพระผู้ประ ส, ง, ระสงค์ <c oughs> ก็อย่าไปโกรธอาฆาตเพราะการทําเช่นนั้นจะไม่เป็นผลดีต่อต่อคนที่มีความรู้สึกแบบนั้นนะ <c oughs> อันนี้พวกเราเป็นชาวพุทธเนี่ยนะก็ต้องพยายามที่จะทําใจให้เข้มแข็งมั่นคงใจกว้างนะเหมือนอย่างคุณลุงคนนั้นแหละนะ แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยชาวพุทธนนท์ไม่น้อยเนี่ยมีความหวั่นไหวง่ายนะเวลามีคนวิจารณ์พุทธศาสนาและบางทีก็ไม่ได้วิจารณ์พุทธศาสนาเพียงแค่นะพูดถึงพระสงฆ์ในทางไม่ดีก็โกรธแล้วทั้งที่เขาจะพูดด้วยความเจตนาดีประสงค์ดีก็ได้นะสมัยก่อนนี่คนไทยเรา น, านับถือพุทธแต่ว่าก็ไม่ได้หลังเกียตศาสนาอื่นแม้ลังศาสนาอื่นเนี่ยเขาจะมาว่าศาสนาพูทธยังไงเนะี่ ก็มีเมตตากรุณาใจกว้างขนาดที่เราสมัยรัชการที่3เนี่ยราชการที่ ส, สี่ยเป็นพระอยู่นะชื่อว่าวัชเชรยานพิคุนะพวกเราคงทราบดีว่าราชการที่4เนี่ยเคยเป็นพระมา 26,000 ษา2 7พรรษาตอนที่เป็นวัชรยานพิกขุนเนี่ก็เป็นเจ้าวาดวัดปวร์ก็ยังเชิญให้สังฆราชปาเล ก, กัวเนี่ยมาสอนศาสนานในวัดปวรเลยนะนะเชิญสังฆราชนะปารี ก, กัวซึ่งเป็นคาทอลิกนะให้มา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 ทางรับไปเลยกลัวเทศเท่าไหร่เทศเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยมีคนเปลี่ยนศาสนาเท่าไหร่หมอบัตรเล่ก็สังเกตว่าเหมือนกันเลยว่าพยายามแปรศาสนาเท่าไหร่เนี่ยคนไทยก็ไม่เปลี่ยนศาสนานะเพราะว่าเขาเข้าถึงเข้าถึงศาสนาอยู่แล้วนะก็เห็นว่าศาสนาพุทธดีไงอยู่แล้วมีความศึกอยู่แล้วเขาก็ไม่เปลี่ยนนะก็เพราะว่าเราเชื่อว่าศาสนาของเราดีจริงนะก็เลย ใครจะวิจารณ์ยังไงก็เฉยจะมาสอนสาศาสนาอื่นก็ได้นะีอันนี้วัชยันพิกูลท่านเป็นเจ้านะแต่ว่าท่านใจกว้างแต่ท่านก็ฉลาดนะบอกว่าสังฆราปรเลยกวัวจะมาสอนสาศาสนาคริสต์ในวัปบวานก็ได้แต่ว่าต้องแลกกันนะก็คือต้องสอนภาษาอังกฤษให้ท่านนะวัชยันิกูลเนี่ยท่านเป็นพระที่เก่งบาลีแต่ภาษาอังกฤษท่านไม่มีความรู้เลยก็ให้สังฆราปรเลกวัวเนี่ยสอนภาษาอังกฤษนะ สอนเพื่ออะไรนะสอนเพื่อได้เข้าใจฝรั่งนะท่านฉลาดนะแลกเปลี่ยนกันนะให้วัดเป็นสถานที่ที่จะมาเผยแผ่าศาสนาคริสต์แต่ว่าก็เรียนรู้าศาสนาเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะจากสังฆราชไปด้วยท่านก็เลยมีความรู้นะเป็นกษัตริย์องค์แรกที่มีความรู้ภาษาอังกฤษเขียนโต้อตอบเคยเขียนจนมาไปถึงประธานาธิบดีลิงคอนด้วยนะรุ่นเดียวกันนะทั้งรัชกาลที่4เนี่ยรุ่นเดียวกับลิงคอน เคยเขียนจดหมายนะไปมอบช้างเผือกให้กับอเมริกาแล้วก็เขียนจดหมายเป็นภาษาอังกฤษโอฝรั่งตื่นเต้นมากนะว่ากษัตริย์ไทยนี่เขียนภาษาอังกฤษได้ก็ไม่ได้เขียนถูกหมดนะเขียนผิดก็มีนะเช่นคําว่ากําลังไปเนี่ยภาษาอังกฤษต้องว่า p o w e งใช่ไหมท่านเขียนว่า power to go power แปลว่ากำลังไงแต่ว่าก็คงเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าฝรั่งก็ทึ่ง อันนี้เนี่ยอันนี้ก็ชี้เห็ น, นว่าว่าความเป็นชาวพุทธเนี่ยนะมันคือความมีเมตตากรุณาความใจกว้างแม้กระทั่งคนที่เขาติจินนินทาเราหรือแม้กระทั่งใส่ร้ายก็ไม่โกรธนะสมัยที่พระเจ้าเนี่ยอยู่เมืองสาวัตถีเนี่ยก็เคยมีชาวสาวัตถีลือลือกันทั้งเมืองว่าพระองค์เนี่ยไปนอนกับผู้หญิงแล้วก็ฆ่าเขาทิ้งซะปิดปากเลือกันเป็นเรื่องเป็นราวนะ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 ผู้หญิงถูกค่าเนี่ยนะถูกพวกอะไรพวกเดลถีเนี่ยฆ่าเพื่อใส่ร้ายพระเจ้าวางแผนให้นางเนี่ยไปใกล้ชิด ท, ทําทีเหมือนว่าใกล้ชิดพระเจ้าเข้าเชตวันตอนค่ำตอนเย็นตอนเช้าก็ออกมานะสร้างจัดฉากเอาไว้งั้นแตว่าค้าพระองค์ก็ไม่โกรธนะไม่โกรธไม่ไม่ไม่รังเกียจเลยนะแล้วก็มั่นใจว่านะความดี นะย่อมแสดงตัวในที่สุดนะอันนี้พวเราชาวพุทธก็ต้องพยายามเจริญรอยตามท่านนะต้องรู้จักนะมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวในเสียงวิภาวิจารณ์ไม่ว่าวิจารณ์ตัวเราหรือวิจารณ์สิ่งที่เรานับถือที่จริงเมื่อเรานับถือพระผู้เป็นธรรมประส ง, สงค์เนี่ยนับถือเป็นของสูงเนี่ยก็ต้องนับถือให้เป็นนะก็คือว่าอาศาัยท่านเนี่ยอาศัยพระธรรมทานเนี่ยดึงเราให้สูงขึ้นนับถือถ้านับถือไม่ไม่ไม่ถูกนะเป็นการฉุดให้ท่านต่ำลง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 พระตระนัดไตดึงเราให้สูงขึ้นให้เราเป็นคนที่มั่นคงไม่วันไหวปล่อยวางไม่ยึดถือตัวตนเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยพอมีกิเลสนะก็เอาพระตนตรายมาเป็นเครื่องสนองกิเลสอันนี้แล้วว่าชุดให้ต่าลงนะพระพระพุทธรูปเนี่ย ห, ยหลายที่เนี่ยถูกแปลสภาพเป็นคล้ายๆไม่ต่างจากเทวดาหรือว่าเป็นอ่าเป็นพวกเจ้าพ่อเจ้าแม่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 คล้ายๆเจ้าพ่อเจ้าแม่แทนในภาคใต้นี่มีพระธูรุลงชื่อว่าพระแม่อยู่หัวนะพระแม่อยู่หัวก็คือเคารพกราบไหว้เจ้าแม่นะก็พอมีพระทูรุลก็เลยเอาพระธูรุลเป็นเจ้าแม่ซะเลยนะชื่อว่าพระแม่อยู่หัวกราบเพื่ออะไรเพื่อให้ขอให้มีโชคมีลาบมีความเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยอันนี้เรียกว่าชุดเพื่อศาสนาให้ต่ําลงนะเรานับถือผีเราก็เลยนับถือพุทธศาสนาหรือนับถือผู้เจ้าเหมือนนะ ที่จริงต้องอาศัยพระธรตนาร์เนี่ยชุดให้เราดึงเราให้สูงขึ้นนะก็คือกิเลสเบาบางนะความทุกข์ด้เบาบางไปด้วยน ะ, ะแล้วก็เตรมแล